ที่พึ่งให้จิตสงบนอกจากอาหารกับน้ำที่เรานำไปแจกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วเราก็แจกสร้อยเหรียรูปองค์หลวงตาให้พวกเขาด้วยพวกเขาก็ดีใจกันแต่เราถามบางคนก่อนว่าเขารู้จักหลวงตามหาบัวไหมถ้าเขาไม่รู้จักเราก็ไม่ได้ให้แต่พอเขาไปเห็นเหรียญที่เพื่อนๆรับไว้แม้เขาอาจจะไม่รู้จักชื่อท่าน แต่ว่าเคยเห็นองค์หลวงตาตามทีวีตามรูปภาพเขาก็วิ่งกลับมาขอใหม่จึงนับได้ว่าเราได้นำเอาความเมตตาของท่านไปเผยแพร่ทั่วทุกทิศทุกทางในจังหวัดทางภาคใต้เพราะว่าทหารแทบทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงสร้างที่อยู่อาศัยได้รับเหรียญหลวงตาที่เรานำไปมอบให้บารุงขวัญกาลังใจถ้าพูดถึงผลกระทบด้านจิตใจ มีผู้ประสบภัยบางคนได้ยินแต่เสียงคลื่นเข้ามารบกวนในจิตใจจนเขาหลับไม่ได้ผวามาตลอดเพราะเขาไปอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั้นเลยถึงแม้เขารอดชีวิตมาได้ชีวิตของเขาก็ไม่เป็นสุขอีกแล้วนอนก็ไม่หลับต่อมาเขามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาได้เหรียญหลวงตาแล้วจิตเขาสงบนอนหลับสนิทนี่เป็นบารมีที่องค์หลวงตาท่านแผ่เมตตา ม, มาให้แล้วราวกับพวกเขาเล่ากันต่อๆพอเราเอาเหรียญหลวงตาไปแจกอีก พวกเขาก็กรูกันเข้ามาขอจนไม่พอแจกหมดไปประมาณสี่ถึงห้าพันองค์เฉพาะที่หน่วยวัดย่านยาวเราก็ได้เอาไปมอบให้คุณหมอพรทิพย์ไว้แจกจ่ายเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเพื่อความอบอุ่นทางใจ